และโดยในยะนี้นิสัยหรือความเคยชินต่างๆความถนัดหรือความสามารถความรอบรู้ที่สะสมเอาไว้ในสันดานก็คือวิบากเมื่อพูดถึงวิบากโปรดยานึกแต่เพียงแคบๆว่าจะต้องหมายถึงในทางไม่ดีคำว่าวิบากเป็นคำกลางๆซึ่งจะหมายถึงทั้งในทางดีก็ได้ในทางชั่วก็ได้เช่นพูดว่าวิบากของกุศล วิบากของอกุศลวิบากของบุญวิบากของบาปอย่างนี้ก็ได้และอย่านึกแต่เพียงว่าถ้าพูดถึงกรรมและวิบากจะต้องมีความหมายเฉพาะแต่ในทางศิลธรรมเช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์เป็นอกุศ ล, ลกรรมการไม่ฆ่าการไม่ลักการฟังเทศการใส่บาทอย่างนี้เป็นกุศลกรรมอย่างนี้เป็นต้นโปรดอย่านึกแต่เพียงแคบๆอย่างนี้ เด็กที่กำลังหัดอ่านหนังสือหัดเขียนหนังสือหัดวาดรูปหรือหัดทำอะไรก็ตามอย่างนี้เรียกว่าเด็กกำลังทำกรรมละวิบากของกรรมอย่างนั้นก็ต้องเกิดขึ้นในสันดานเมื่อเราหัดอ่านหนังสือหัดเขียนหนังสือบ่อยๆเราก็จะมีความชมนานาญในการอ่านและการเขียนมากขึ้นโดยลำดับความรู้ความชมนานาญหรือความสามารถ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 ยอมได้ผลเช่นนั้นทำดียอมได้ดีซึ่งหมายถึงได้ความดีทำชั่วยอมได้ชั่วซึ่งหมายถึงได้ความชั่วความดีความชั่วที่เกิดขึ้นจากการกระทาก็คือวิบากของกรรมเมื่อนึกถึงหลักอันนี้แล้วต้องพิจารณาให้ซึ้งโดยเฉพาะคือต้องนึกถึงคำว่ากรรมก็คือการกระทาที่เกิดจากเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่ง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 เราจึงมาแบ่งแยกแลักษณะพิเศษเป็นคนชาตินั้นชาตินี้เป็นคนดีคนชั่วคำว่าชาติไทยชาติจีนชาติอินเดียหรือคำว่าคนดีคนชั่วเป็นคำที่บัญญัติขึ้นในภายหลังในทรรนองเดียวกับคำว่าบุญและบาปเป็นคำที่มาบัญญัติขึ้นในภายหลังส่วนกฎของกรรมเป็นกฎ ด, ดั้งเดิมเป็นกฎของทุกสิ่งทุกอย่างและเหมือนกันหมด กล่าวคือการกระทาไม่เกิดขึ้นแล้วจะต้องก่อให้เกิดวิบากกรรมอย่างไรวิบากก็อย่างนั้นหลักอันนี้ต้องศึกษาให้ละเอียดก่อน